<c oughs> สวัสดีวันนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตโนโจทยั ต, ตานังให้เตือนตนของตนเองที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นนี้ต้องการให้พวกเราเนี่ย <c oughs> มีสติการมีสติเตือนตอนเองนั่นเราเตือนได้ทุกเมื่อถ้าเราจะคอยให้คนอื่นเขาเตือนนั่นนานก็นนจะเตือนเราทีหนึ่งมันก็ไม่ทันการแต่ถ้าเราเตือนตัวของเราเองแล้วก็เตือนได้ทุกลมหายใจเรามีสติคือเป็นสิ่งเทพ มีความสําคัญในตัวของเราเพราะว่าสตินั้นทําให้เราได้รู้และมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆและสามารถควบคุมได้ที่เราได้เป็นมนุษย์และสามารถควบคุมจิตใจได้แล้วควบคุมบางสิ่งบางประการได้ว่าควบคุมความรู้ความฉลาดได้ ควบคุมอะไรอะไรต่างๆได้นี่ล้วนแล้วแต่สติเป็นตัวที่มีเออเป็นตัวที่ควบคุมเพราะฉะนั้นตัวสตินี่คืออาจารย์สำหรับประจำตัวเราว่าสติมันคอยเตือนเราอยู่เรื่อยถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ท่านลองคิดดู เมื่อขาดสติเมื่อไรเราจะทํางานอะไรก็ผิดผิดพลาดคือทํางานผิดพลาดการที่เราทํางานไม่ผิดพลาดนั่นเพราะสติของเรายัางสมบูรณ์และสติทําไมถึงสมบูรณ์ก็เพราะว่าเรามีสมาธิธรรมชาติที่ช่วยเราอยู่เมื่อสมาธิมีอยู่ก็ทําให้เกิดการนอนหลับสบาย เมื่อเกิดการนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาก็มีสติมีสติค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซนอย่างเนี้ถ้าหากว่านอนไม่หลับเคือว่าเมื่อนอนไม่หลับก็คือการขาดสมาธิธรรมชาติเมื่อขาดสมาธิธรรมชาติแล้วมันก็จะหลงหน้าลืมหลังหลงหลังลืมหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้น ตลอดจกนกระทั่งคนที่มีอายุมากเพราะว่าสติได้ถูกใช้ไปเยอะแล้วเมื่อตอนอายุมากขึ้นสตินั้นมันก็ลดกำลังลงก็ทำให้ขี้หลงขี้ลืมอะไรสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวเตือนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัสโนโจทยัตานางัง ก็ให้เตือนตัวของเราว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราอย่าไปทำมันสิ่งนี้เราดีแม่สิ่งนี้มันดีมันทำให้เราดีด้วยทำให้คนอื่นดีด้วยทำให้คนบบรอมตัวเราดีด้วยอย่างนี้ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสติที่เป็นเครื่องเตือนว่า ในเมื่อสติมันอ่อนแอลงไปอย่างนี้เราจะมีโอกาสใดที่จะสร้างสตินี้ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราทำสมาธิพิเศษทำสมาธิพิเศษนั่นหมายความว่าทำสมาธิที่สร้างขึ้นนอกเหนือไปจากสมาธิธรรมชาติ เมื่อเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีโอกาสที่จะทําสมาธิเราก็พยายามทําเพราะว่าการทําสมาธิแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นอนะ่ะมันสร้างพลังจิตออกมาเมื่อสร้างพลังจิตออกมาแล้วพลังจิตนั่นแหละก็จะกลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตนั่นแหละก็จะกลายเป็นตัวสติที่จะคอยเตือนเราอยู่เสมอ ถ้าหากว่าเราทำสมาธิได้มากขึ้นพลังจิตจะสะสมเพราะว่าการสะสมพลังจิตนั่นเป็นการสะสมแบบถาวรแล้วก็จะบวกกันไปเรื่อยเมื่อเราทำครั้งแรกได้แปดทำต่อไปก็เป็นส6บหกทำต่อไปก็นับเป็นร้อยเป็นพันเมื่อทำได้มากพลังจิตมันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจมาก เมื่อนอนเนื่องอยู่ในจิตใจมากมันก็ช่วยทำให้สติตัวเตือนเนี่ย เ, เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องปรับปรุปรงตัวสติของเราให้ได้เราลองคิดดูถึงค น, นที่ลืมหน้าลืมหลังคนที่เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะเก่งเพราะว่าสติไม่เพียงพ อ, อความจามัน รถไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าปัญญาไม่ไวสตินี้ก็ทําให้ปัญญาไวขึ้นอีกอย่างนี้เป็นต้นมันมีผลอยู่หลายอย่างด้วยเหตุนั้นคําว่าตโนโจทยตนานังการที่เตือนตนของตนนั้นก็คือการทําสตินี้ให้เต็มที่ขึ้นเราจะสร้างสติด้วยสมาธิอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้ชีวิตอันนี้มันมีค่าขึ้นมาอีกเยอะชีวิตที่ขาดสติเนี่ยมันลดระดับลดค่าแต่สมาแต่ว่าจิตที่มีสติเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าสวัสดีสาธุ